นะโมอานตัสสะพระขวโติอรหะตสัมมาสัมพุทธสานะโมอานตัสสะพระขวโติอรหะตสัมมาสัมพุทธสานะโมอานตัสสะพระขวโติอรหะตสัมมาสัมพุทธสาะ สุนหาตุเมพันเตสังโฆอาชุปสุสโทปนรสโสยทิสังขสะปะตะกันลังสังโฆอุปสถังคาระยะปาติโมคังอุทิสศย อิงสังคสักผูกิดจังปาริสุทธิงอายยะสมันโตอารเจทาปัติโมขังอุทิศิสามมิตั้งสภเวสันตัสาตุกังสุโนมะมานสิกรโรมายะสัศยอาปติโสอาวิกะริยอสันติยอาปติยาตุนหีภวิตาภังตุนหีภาเวนะโคปนายสมันเตปริสุทธาติเวทิสาอามิ ยัาโคปัปัจเจกพุทธสักวิญญากรณังโหติเอวะเมวังเอวรูปายาปริสัยยาวตติยังอนุสาวิตังโหติโยปภิกุยาวตติยังอนุสาวิยาแมนิสระมานนติสมิงอปติงนาวิกะระียาสมปชาณมุสาวาทัสสะโหติสัมปชาณมุสาวาทโคปัายสมมันโตุ อันตรายโกธมโมวโตโภะควตาตาสมาสารรมาเนนนาภิกุณาอาปันเนนาวิสุทธาเปเคสนาสันติอาปติอาวิกาตาภาราอาวิกาตาหิสะภาสุโหตินิธ า, านังนิถิตัง